เรื่องที่35ขอโทษสองวันพุธที่แล้วที่พูดถึงเรื่องอโหสิกรรมโดยชีย้ให้ท่านผู้ฟังเห็นว่าอาโหสิกรรมตามทัศนะของพระพุทธศาสนาคืออย่างไรต่างจากการถ่ายบาปและการล้างบาปอย่างไรในตอนสุดท้ายได้ขโมดลงว่าอาโหสิกรรมที่ได้เป็นแล้วเป็นอีกไม่ได้ ข้าพเจ้าได้เปรียบที่มาของกรรมประเภทนี้ไว้ว่าเหมือนกับแกลบแกลบนั้นเดิมทีก็เป็นข้าวเปลือกมันงอกได้ทำข้าวปลูกได้แต่ถ้าข้าวเปลือกถูกแยกออกเป็นข้าวสารเสียส่วนหนึ่งเป็นปลายข้าวเสียส่วนหนึ่งเป็นรำเสียส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือมันก็เป็นแกลบเรื่องมันมีอยู่เท่านี้วันนี้ อยากจะพูดถึงข้อปฏิบัติของเราอย่างหนึ่งคือการขอโทษหรือที่เราเรียกว่าขออโหสิบ้างขอเข้ามาบ้างว่ามีที่ไปที่มาอย่างไรมีเหตุผลที่เป็นไปได้หรือไม่เพียงใดน่าจะพูดดูกันสักทีเพราะการขอโทษเป็นทางสงบทางหนึ่งการขอโทษขอเข้ามาหรือขออโหสิที่ว่านี้ ข้าพเจ้ารู้สึกว่าสมัยทุกวันนี้ยิ่งจำเป็นมากทั้งฝ่ายขอโทษทั้งฝ่ายยกโทษเพราะเรารู้แล้วว่าทุกวันนี้ผู้คนมากกว่าสมัยก่อนซึ่งข้าพเจ้าเคยพูดไว้เสมอว่ายุคนี้เป็นยุคคนมากคนเราอยู่ด้วยกันมากขึ้นโอกาสที่จะล่วงเกินกันก็มากขึ้นเจตนาบ้างไม่เจตนาบ้างแต่มันก็หลีกไม่พ้น ถ้าเราเดินอยู่กลางทุ่มคนเดียวเดินทั้งวันก็ไม่มีวันที่จะต้องเหยียบเท้าใครแล้วก็ไม่มีใครจะมาเหยียบเท้าเราแต่ถ้าเราเดินอยู่ในงานวัดหรือที่ตลาดนัดท้องสนามหลวงโอกาสที่จะเหยียบเราก็มากขึ้นและโอกาสที่เราจะเหยียบเท้าคนอื่นเขาก็มากเพราะคนมันมากเช่นเดียวกันบ้านเมืองของเราเดี๋ยวนี้คนมากเหลือหลาย มากเพราะเกิดมากด้วยมากเพราะการไปมาหาสู่กันมันสะดวกขึ้นด้วยเรื่องที่เรากับเขาจะกระทบกันมันก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัวของพันนี้จะมัวโมโหโทโสกันป่วยการร่วงเกินกันนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไปผูกโกรธกันเป็นวักเป็นเวรไม่ได้จนกว่าเราจะตายมันอาจเป็นบ้าเสียก่อนก็ได้ทางที่ดีที่ปลอดภัย คือใช้วิธีขอโทษและยกโทษซึ่งเราเรียกว่าขอขมาพระพุทธศาสนาสอนว่าการยกโทษให้คนอื่นเป็นเรื่องของคนฉลาดการผูกอาฆาตเป็นเรื่องของคนโง่เขลาวันนี้จะเสนอให้คิดเรื่องนี้ดูโดยจะแบ่งคําบรรยายออกเป็นสามประเด็นคือ 1. ความหมายของการขอขมาโทษ 2. ความผิดสถานใดบ้างที่เขมากันได้และ 3. วิธีปฏิบัติอื่นๆประเด็นแรกเห็นจะมีปัญหาน้อยคือความหมายของการขอโทษหรือขอขมาขมาเขมาแปละวะ่ายกโทษอย่างเช่นเราทำอะไรผิดพลาดไปเห็นว่าเป็นการล่วงเกินคนอื่นเราบอกกับเขาว่าขอโทษ แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ยกโทษให้ตั้งแต่นั้นไปความผิดที่ทํากันนั้นก็เป็นอันผลไปเรื่องก็มีเพียงเท่านี้ทีนี้บางคนมา น, นึกสงสัยเรื่องคําพูดคือที่พูดกันว่าขอโทษฟังดูคล้ายๆกับว่าผู้ขออยากได้โทษเพราะการขอนั้นแสดงว่าอยากได้ที่จริงคําพูดนี้เราพูดย่อไป ถ้าจะพูดเต็มทั้งประโยคต้องพูดว่าขอให้ยกโทษอย่างในบางโอกาสที่เราใช้คำนี้สำหรับผู้หลักผู้ใหญ่เราก็พูดเต็มคือพูดว่าขอประทานโทษแต่เราพูดกันทั่วไปเรานิยมพูดย่อๆก็เลยพูดว่าขอโทษตัดตรงกลางทิ้งเสียข้างฝ่ายผู้ถูกล่วงเกินพออีกฝ่ายมาขอโทษ เขาก็ยกโทษให้นี่ก็เหมือนกันที่ว่ายกโทษให้ไม่ได้หมายความว่ายกโทษมาให้แต่หมายความว่ายกโทษออกให้คือคนที่ทำอะไรล่วงเกินต่อคนอื่นนั้นเป็นคนมีความผิดทับหัวใจอยู่แล้วสังเกตดูให้ดีเวลาเราทำอะไรล่วงเกินคนอื่นมันรู้สึกหนักใจที่หนักก็เพราะถูกโทษมันทับใจ การไปขอขมาผู้ที่เราล่วงเกินก็คือไปขอให้เขาช่วยยกโทษออกจากใจให้ทีแล้วฝ่ายหนึ่งเขาก็ยกโทษให้คือไม่ใช่ยกมาให้แต่ยกออกให้พอเขายกออกให้เราก็รู้สึกเบาใจไม่หนักเหมือนตอนก่อนยกนี่คือความหมายของการขอขมาหรือขอโทษสำนวนพูดนั้นก็อาจแยกแยะไปหลายอย่าง ตามความไพเราะของภาษาแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนเช่นบอกว่าขอโทษขออาภายัยขออาภัยโทษขอประทานโทษขอขมาขออโหสิและคำอื่นอ่อีออกดูเหมือนจะยังมีแต่ความหมายก็เหมือนกันทีนี้ประเด็นที่สองที่ว่าความผิดสถานใดบ้างที่ขอขมาได้ เรื่องนี้ก็สำคัญบางคนอาจคิดเหมาเอาว่าความผิดอะไรอะไรก็ขอเข้ามากันได้ทั้งนั้นและเมื่อขอแล้วก็เป็นอันพ้นบาป พ, พ้นกรรมทั้งหมดถ้าใครคิดตีกินแบบนี้ใจมักจะเหลิงนึกอยากทำอะไรใครก็ทำชักจะกำเริบใจที่จริงความผิดบางอย่างเท่านั้นที่ขอเข้ามาได้และที่บางอย่างนั้นก็น้อยอย่างด้วย จะแยกแยะออกให้ดูอยากจะเข้าใจแน่ๆต้องดูถึงรากเหง้าของความผิดสก่อนเหมือนอย่างต้นไม้นี่แหละต้นไหนจะถอนทิ้งได้หรือไม่ได้ดูรากมันสิก่อนรากเหง้าของความผิดนั้นมันไม่หนีสามอย่างนี้ไปได้คือโลภะโทสะโมหะไม่ว่าใครจะทําผิดคดีดำคดีแดง ก็ผิดออกมาจากสามเง่านี้ความผิดที่เกิดจากความโลภได้แก่การหาทรัพย์ในทางทุจริตทุกอย่างทุกทางเช่นลักทรัพย์เขาล่นเอาเงินเขาตู่เอานาเขาตลอดไปจนการช่อโกงมารงมาเสงทุกอย่างนี่ความผิดประเภทหนึ่งพัวค้าของเถื่อนหนีภาษีอกรด้นะรวมอยู่ในนี้ การขู่ให้เขากลัวแล้วให้เขาไม่กล้าเก็บเงินเราก็เหมือนกันเช่นอยากดูหนังฟรีแล้วทําให้คนเฝ้าประตูเขากลัวเขาเลยไม่เก็บสตางค์ความผิดสถานนี้ก็ขึ้นทะเบียนเล่มนี้เล่มโลภะนี่ความผิดที่เกิดจากโทระคือความผิดที่เราทําลายคนอื่นด้วยแรงแขนเช่นฆ่าเขาฟันเขาเผาบ้านเขา กลันแกล้งเขาให้เสียหายเรื่องนี้กระจ่างอยู่แล้วความผิดที่เกิดจากโมหะคือทําไปด้วยความลุ่มหลงหลงผิดมัวเมาไปพูดง่ายๆคือความผิดที่เราทําเพราะหลงหรือเพราะเมาในสองอย่างนี้เห็นจะต้องยกตัวอย่างสักหน่อยที่ว่าความผิดที่ทําเพราะหลงคือ หลงคิดว่ามันดีแล้วจึงทําความผิดประเภทนี้มักจะเป็นความผิดประเภทดีล้นหรือหลงดีอย่างเช่นเด็กบางคนพอถูกผู้ใหญ่ตักเตือนเกิดหลงคิดว่าตัวเองก็ดีพอตัวเหมือนกันนึกอยากจะแสดงดีของตัวเสียบ้างพอเวลาเดินออกจากผู้ใหญ่ก็เดินส้นปังๆกระแทกประตูโครม นึกว่าที่ตัวทําไปนั้นดีนักดีหนาแต่ที่แท้ดีมันล้นใช้ไม่ได้ตัวอย่างอื่นๆก็ยังมีแยะเช่นการประพฤติตัวเกเรเที่ยวลวนลามผู้หญิงบ้างเที่ยวเกกะผู้คนเขาบ้างเมื่อเวลาโมหะกำลังบังใจอยู่ก็นึกตัวก็เก๋เสียเต็มประดาแต่พอโมหะสว่างแล้วจึงจะรู้สึกละอายใจ เหมือนคนหลงขึ้นรถเม์ผิดสายตอนที่ยังหลงอยู่คือยังไม่รู้ตัวว่าขึ้นรถผิดใจก็เพลินดีใจเสียด้วยซ้าเมื่อรถวิ่งเร็วดีใจจะได้ถึงที่ตัวจะไปเร็วๆแต่พอไปไปเมื่อใดรู้ว่าตัวขึ้นรถผิดสายเสียแล้วก็หมดสนุกแล้วยังนึกโมโหตัวเองเสียด้วยซ้ำที่ไปหลงดีใจเสียแท้ตาย ทั้งทั้งที่ตัวหลงทางรวมความว่าความผิดที่คนเราทากันอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายมีรากเหง้าข้ามูลมาจากสามอย่างนี้เท่านั้นคือทํเพราะโลภทําเพราะคิดร้ายและทําเพราะหลงผิดในสามสถานนี้ความผิดที่ทำเพราะความโลภก็ดีเพราะความคิดร้ายก็ดีเมื่อทําลงไปแล้ว มันไม่เกิดความเสียหายแก่ฝ่ายที่ถูกทำอย่างเช่นเราโลภไปลักของเขาเขาก็เสียของเราโกรธไปฆ่าเขาเขาก็เสียตัวฉะนั้นความผิดทั้งสองสถานนี้จึงยกเลิกไม่ได้ด้วยการขอขอมาแม้ว่าฝ่ายที่เราทำผิดต่อท่านจะได้บอกว่ายกโทษให้แล้วโอ้โหสิกันไปแต่บาปกรรม ผู้ทำก็จะต้องรับผลอยู่ที่ท่านว่าอโหสิอโหสินั้นอโหสิเฉพาะเรื่องเวรเท่านั้นเท่ากับท่านบอกว่าท่านจะไม่เอาเรื่องราวสำหรับท่านเท่านั้นซึ่งก็เป็นบุญคุณนักหนาอยู่เหมือนกันแต่บาปกรรมนั้นยกเลิกไม่ได้เหมือนกับเราทำความผิดประเภทคดีแพ่งปนอาญาเจ้าทุกข์เขาไม่เอาความกับเราจริง แต่อายการเขาก็ไม่ยอมปล่อยหลุดทางแพง่งแต่มันติดทางอาญาพูดถึงความผิดอีกสถานหนึ่งเสียก่อนแล้วค่อยดึงมารวมกันเข้าคือความผิดที่ทำด้วยโมหะทำด้วยความหลงผิดความผิดสถานนี้เท่านั้นที่ขอเข้ามาแล้วหายกันได้ฟังดูแค่นี้ก็รู้สึกว่าง่ายดี ที่จริงยังมีเงื่อนงำสับสนอยู่หลายขยักค่อยๆสางเข้าไปไม่เช่นนั้นจะหลงเงื่อนยิงความผิดที่ทำเพราะโมหานี่แหละพูดยากเรียนยากเข้าใจยากจริงๆเผลอไม่ได้ท่านผู้ฟังทราบแล้วไม่ใช่หรือว่าความผิดที่ทำเพราะโมหานั้นเป็นความผิดประเภทหลงดีทำเพราะหลงใจจริงอยากทาดี และคิดว่ามันดีจึงทำแต่ไปทำสิ่งที่มันไม่ดีเข้าเพราะฉะนั้นเจตนาในการทำความผิดของคนประเภทนี้จึงไม่สู้จะรุนแรงถ้าเป็นพืชก็เป็นพืชจำพวกรากไม่ถึงดินอย่างเช่นจอกแหน่ตะไคร่น้ำหรือเถาวันบางชนิดที่รากอยู่ในดินตื้นๆทำไมความผิด เพราะโมห oh ะจึงขอขมาเลิกแล้วกันได้ที่ความผิดเพราะโลภะและโทสะทำไมจึงเลิกแล้วกันไม่ได้แม้ว่าจะขอขมาแล้วอธิบายยากอยู่แต่พอจะเปรียบเทียบให้คิดได้ขอให้ท่านทั้งหลายนึกถึงของทําลายในโลกเราสามอย่างคือน้ำไฟและความมืด ของสามอย่างนี้ปกคลุมทับสิ่งอื่นได้อย่างเช่นน้ำท่วมโรงนาทั้งโรงและนาทั้งแปลงมันคลุมหมดหรืออย่างเช่นไฟไหม้บ้านทั้งหลังไฟมันก็คลุมได้หมดความมืดก็เหมือนกันหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านความมืดมันก็กลืนได้หมดของที่ท่วมสิ่งอื่นได้จึงมีอยู่สามอย่างคือน้ำไฟความมืด ที่ว่านี้ว่าข้างไม่ดีข้างเสียเอาล่ะที่นี้วกเข้าหาธรรมะจะถามให้คิดตอบน้ำเวลามันท่วมสิ่งอื่นลดลงแล้วของที่ถูกมันท่วมเป็นอย่างไรบ้างมันก็เป็นคราบที่เน่าเปื่อยเสียหายก็มีใช่ไหมคือจะให้คงอยู่ดีเหมือนไม่มีน้ำท่วมเลยไม่ได้ ไฟเวลามันท่วมบ้านท่วมเมืองแล้วเป็นอย่างไรบ้างบ้านช่องยังคงอยู่ดีตามปกติเหมือนเมื่อก่อนไฟท่วมหรือเปล่าเปล่าเลยกลายเป็นเท่าฐานไปความมืดเวลามันท่วมบ้านท่วมเมืองแล้วเลิกท่วมบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรคงอยู่ตามเดิมใช่ไหมถูกอย่างเช่นเวลานี้ ความมืดกำลังท่วมบ้านเราแต่พอความมืดหายพรุ่งนี้อะไรอะไรก็อยู่ตามสภาพเดิมเห็นแล้วใช่ไหมว่าน้ำไฟและความมืดเวลาท่วมแล้วถึงแม้มันจะเลิกไปรอยเสียหายที่ทิ้งไว้ก็ไม่เหมือนกันน้ำมีรอยเสียไฟมีรอยไหมแต่ความมืดไม่มีรอยใจของเรานี้ก็เหมือนกัน สิ่งท่วมใจเราก็มีสามอย่างคือโลภะโทสะและโมหะโลภะเปรียบเหมือนน้าโทสะเปรียบเหมือนไฟโมหะเปรียบเหมือนความมืดนี่แหละคําตอบออกมาแล้วที่ว่าความผิดเพราะโลภะโทสะขอขอมาไม่ได้หรือขอได้ก็ไม่หายบากกรรมเพราะโลภะโทสะเวลามันท่วมใจแล้ว มันทาให้เสียมันทิ้งรอยเสียไว้เหมือนน้ำท่วมโมหะเพียงทําให้ใจมืดเรากำจัดความมืดออกเสียใจเราก็มีสภาพดังเดิมไม่มีรอยเน่ารอยเสียความจริงเป็นอย่างนี้สำหรับที่ว่าความผิดบางอย่างขอเข้ามาได้หรือไม่ได้เราขยับต่อไปอีกนิดจะพูดที่มันยากกว่านี้ ที่พูดมาแล้วมันเป็นหลักการใหญ่เท่านั้นยังมีข้อยกเว้นคือที่บอกว่าความผิดเพราะโมหะเมื่อขอเข้ามากันแล้วก็หมดกันเลิกแล้วกันไปนั้นที่จริงยังมีข้อยกเว้นขอให้สะกดใจฟังให้ดีๆไม่เช่นนั้นจะหยิบผิดคือความผิดที่ทําเพราะโมหะความหลงนั้นมีอยู่สองชั้นคือล่วงเกินและบาป ก, กรรม ล่วงเกินคือเราเองหลงดีก้าวล่วงความดีของเราเองแล้วก็เดินเข้าไปในขอบเขตความดีศักดิ์ศรีของคนอื่นพูดง่ายๆคือว่าล่วงดีเราเกินดีคนอื่นเรียกว่าล่วงเกินยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะอวดว่าเรารู้อะไรอะไรมามากจึงนินทาคนอื่นเขาว่า เขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ที่เราทานี้เรียกว่าล่วงเกินคือการโอร้อวดนั้นล่วงดีไปแล้วคนดีเขาไม่โอ้อวดและที่นินทาว่าร้ายคนอื่นนั้นเกินเข้าไปในขอบเขตศักดิ์ศรีความดีงามของคนอื่นแล้วนี่ล่วงเกินที่นี้บาปคําคือถึงขั้นทำให้เกิดรอยเสียขึ้นแล้วทําเพราะโมหะเหมือนกัน แต่ว่ามันทำเลยไปจึงถึงขั้นเป็นบาปกรรมอย่างเช่นหนุ่มบางคนนึกชอบผู้หญิงสาวเข้านึกว่าสารรูปอย่างเราก็ไม่ใช่ย่อยละไม้คล้ายคลึงดาราหนังทีเดียวจึงเข้าไปพูดจาเคาะแคะและเล็มหญิงสาวคนนั้นรั้นแล้วผิดหวังเขาเกิดไม่เล่นด้วยเลยโมโหหัวใจไปทําร้ายเขาเข้ า, ขา จะเป็นตบตีฆ่าฟันก็แล้วแต่ที่เรามานี้ความผิดสองชั้นไอ้ที่นึกว่าสารรูปเราก็เก๋ไม่ช่ย่อยจนกระทั่งถึงไปพูดจาแท้ลมเขาไม่ดูตาม้าตาเรือนี่เป็นความผิดชั้นล่วงเกินตัวเองก็ล่วงความดีของตัวเองและเกินเลยเข้าไปในเกียรติศักดิ์ศรีของผู้หญิงทีนี้ไอ้ที่ไปตบตีฆ่าฟันเขาตอนหลังนั้น มันถึงขั้นเป็นบาปเป็นกรรมเห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าความผิดเพราะโมหะ ก, ก็มีสองชั้นคือชั้นล่วงเกินกับชั้นบาปกรรมความผิดชั้นล่วงเกินขอขมากันเสียหายได้แต่ความผิดชั้นบาปกรรมเข้ามาแล้วก็ไม่หายต้องรับผลกรรมความผิดสองชั้นนี้มันต่อเนื่องกันอยู่ต้องพิจารณาดูให้ชัดชัด เพียงชั้นล่วงเกินขอโทษกันเสียก็ได้แต่ถึงขั้นบาป ก, กรรมบาป ก, กรรมก็ต้องให้ผลแก่เราข้าพเจ้าบอกว่าความมืดนั้นแม้มันจะท่วมบ้านแต่เมื่อมันหายไปบ้านก็ยังอยู่แต่ขอแถมอีกนิดว่าหากตอนที่บ้านกำลังมืดนั้นเราไม่อยู่กับมืดเดินไปเดินมาไปเตะเอาแก้วแตะเข้าแม้ความมืดหายแล้ว แก้วเราก็ไม่หายแตกหรือถ้าเหยียบเอาใบมิดโกนเข้าเพราะมองไม่เห็นแผลที่เท้าเราก็ไม่หายถึงมือจะหายแล้วเพียงรำไหว้ครูไม่เป็นไรถ้าเลิกแค่นั้นก็ไม่มีใครชกเราแต่ถ้าถึงตอนเอาหมัดไปตุ้ยท้องอีกคนหนึ่งแล้วเขาก็ต้องตุ้ยเราบ้างสรุปแล้วความผิดเพียงล่วงเกินกันขอขมาได้ผู้ผิด ควรขอโทษผู้ที่ตนล่วงเกินและผู้ถูกล่วงเกินก็ควรยกโทษให้